ตั้งใจวันนี้เป็นวันพระแปดคำเป็นวันอุโบสถสินไม่ว่าแต่มนุษย์จะรักษาอโวสถสินกันแม้แต่เทวดาบนสวรรค์ก็ยังพากัน รักษาสินอุมโมสถและเกาะมีการทุมนุมกันสนทนาธรรมกันในศาลาธรรมสภาถวัรชั้นดาวดิง <c oughs> <c oughs> เทวดาอยู่ชั้นฟ้าสัาง่งสั่งคนถึงวันพระแล้วก็ได้ดอกไม้ถูกเกียนเป็นทิพย์ พวกสั้นสูงก็ลงมาพวกทําต่ำก็ขึ้นไปรวมกันที่พระเกตแก้วจุลม น, นลมณีเจดีย์เนินเรียนประทักษิณสามรอบล้วบูชาดอกไม้ทุกเทียนที่พระเจดีย์นั้นเทวดาก็พากันเคารพนับถือ เครื่องทรงของพระองค์ตอนพระองค์เสร็จออกบทที่แรกพยายินเอาไปบรรจุไว้เจนในพระเจดียนะ์นั้นทรภเกษาด้วยตอนตอนนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้ตัดสรู้นะแต่เทวดาก็นับถือแล้วแสดงว่าพระองค์นนะมีบุญญาธิการ มากมาแต่ก่อนกัตสรุปเป็นพระพุทธเจ้านุ่มเป็นเหตุให้เทวดาอินทร์พรมนิยมนับถือแต่เทวดาบนสวรรค์ไม่มีพระมีสงฆ์ที่จะแสดงธรรมให้เทวดาฟังกมีแต่พยาอินเป็นประธานธรรมาฉากัะฉากัน <c oughs> สำหรับมนุษย์โลกของเรานี่พุทธศาสนาก็ยังไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้ก็ยังนับเป็นลาภอันดีที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาอยู่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้เราได้รู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน อ, อันพระนิพพานนั้นมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงแสดงเรื่องพระนิพพานและทรงบรรลุพระนิพพานแล้วด้วย แต่นอกนั้นไม่มีใครมันรุกพระนิพพานก่อนพระ อ, องค์ไม่มีเลยสั่งสอนกันอย่างดีแท้ก็ไปสวรรค์ไปพมมโลกพกระฤาษีที่แนะนำสั่งสอนประชาชนแต่ในตำรากล่าวว่าบางยุกบางสมัยพระฤาษีกั ไปทำบาปพาประชาชนทำบาปรับรับเป็นเจ้าที่เจ้าการจัดการฆ่าแพ้ฆ่าแกะมูชายันให้ประชาชนหนื้อให้พระราชามหากษัตริย์อย่างนี้ก็มีในขั้งพุทธเจ้าเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างว่าพระฤาษีบางในพวกนี้ก็ไม่มีศีลเหมือนกัน มีเป็นบางข้อเท่านั้นเองแต่พระฤาษีบางในพวกท่านเขามีสินห้าบริสุทธิ์ออแต่กขามักจะมีความเห็นผิดไปบางสิ่งบางอย่างอืเนื่องจากว่าพอไม่รู้แจ้งในหนทางพ้นทุกนั่นเองเนี่ยเห็นอย่างไรก็สอนคนไปอย่างนั้นเดีย๋ยวมาสอนคนให้ มงสวงเทวดาอินพรมมนุนีลาวจะหายขคราะหายเค้นชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีอะไรโมนีนะคนทั้งหลายมันต้องการความสุขความเจริญไม่มีไทยจะมาสอนในยุคในสมัยเช่นนั้นก็เชื่อกันก็ทํากันไปอย่างนั้นเละสร้างโรงบูชายันเข้าไปฆ่าสัตว์ปัดชีวิตบูชาเทวดาอินพรมไป ปรากฏในครั้งนั้นมีแต่ตระกูลพระพุทธเจ้านี่แหละไม่มีการบวงสวงเทวดาอินพรมโดยการฆ่าสัตว์ชีวิตอะไรในตระกูลของพระพุทธเจ้านั้นมีพระฤาษีมีนามว่ากบินระดาบทเป็นครูเป็นอาจารย์ ของพระเจ้าโสโธทนะและพะนางเิลีมหามายาตลอดถึงาาระยะทวมก็พากันไปทําบุญกับพระฤาษีนั้นแล้วไปสมทานศิลป์กับพระฤาษีนั้นดังนั้นอธิบินนดาบทนั่นฮนะเพื่อทราบขาวว่าพนางเิลีมหามายาประสูตุประศุดราชโอรสแล้ว ก็จึงขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมประรงอนุญาตให้เข้าไปพอไปี่สูดดูบุคลิกลักษณะของพระราชกุมารแล้วก็รู้ว่าจะได้ตัดรูเป็นหุษเจ้านึกเสียใจเพราะอายุตนมันก็มากแล้วจะอยู่ไปไม่ทันเลยจึงได้ร้องให้ขึ้นทางพระเจ้าสุโธทนะก็ถามว่าท่านร้องให้ทำไม ร้องให้เพราะเสียใจไม่จะไม่มีอายุยืนไปถึงตอนที่พระาักรุมานเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตัดตรูเป็นพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้านี้จะอยู่ไปไม่ถึงเลยนึกเสียดายนึกเสียใจอย่างนี้แหละถึงได้ร้องให้จริงพระเจ้าสุโทธทนะนั่นน่ะ ทรงทราบดีแล้วว่าพระราชาโอรสของพระองนะัะจะได้ตัดสรู้เป็นรพระพุทธเจ้าแต่ว่าธรรมดากิเลสเนอะมันก็ไม่ยินดีไปใถ่ทางละกิเลสตันหาทางพนิพานก่อนดังนั้นจึงหาอุบายผูกพันพระราชโอรสให้ค้องอยู่ในราชาสมบัติโดยสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามฤดู ไม่อุทรร้อนประไทยอะไรเลยในความเป็นอยู่หวังว่าจะให้พระราชโอรสนั้นติดอยู่ในสุขสมบัติอันนั้น <c oughs> หาหนทางป้องกันไม่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอะไรทุกอย่างเลยในพระราชวังนั้นไม่ได้ลวคนแก่คน ที่คนที่การอรียสานี่จะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้พวกครามมั้นั่นทำนายแล้วว่าพกองค์จ ะ, สะเสด็จออกบวชพอเห็นเทวทูตทั้งสี่พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาท่า น, นเกิดสังเวทสรุดพระหฤทยัยแล้วก็สเสด็จออกบวชพระเจ้าสุโทธน า, าสัต์จนันั้นจึงขาทางป้องกันเลย เมื่อพระองค์จะเสด็จประาพาสสวนอุทยานอย่างนี้ก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยืนยามอยู่ตามลายทางห้ามไม่ให้คนแก่คนที่คนพิการอะไรเดินผ่านทางนั้นเลยแต่แล้วตามตำราท่งเกล่าวไว้ว่าก็เทวดาแล้วแบบนี้นะมนุษย์ไม่มีโอกาสจะได้เดินผ่านไป เทวดาก็แปลงกำลรงตัวเป็นคนแก่เป็นเด็กเล็กนอนอยู่บนเบาะให้พระองค์ได้เห็นจะสวก็บั์ดานให้เห็นคนตายตามรายทางนี่เมื่อเห็นแล้วก็กระถามนายฉันนะผู้ที่ขับรถไปตามนำพระองค์ไป ในชันน่ะก็ทูลพระอ ง, งค์ว่าอันนี้คนอันนี้เด็กอันนี้คนแกอันนี้คนตายอย่างนี้แหละเอเ๊ะไทยอย่างนั้นเราก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมั่งล่ะก็เป็นอย่างนี้แหล ะ, ะเขาจ้าค่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละ Entonces, พระองค์ก็ดีค่าพระองค์ก็ดีสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละหวงกัน พอทีได้เคยความสังเวชประหาหรไทยขึ้นมาทำยังไงหนอเราจึงจะพ้นจากความแก่ความชมลุดสุดโทงความล้มความตายอะไรหมดนี้กระทรงดำริในพระไทยไปพอไปถึงสวนอุทยานสเสด็จไปชมสวนหนอกไม้น า, นานาชนิดสมสะอืมบกพรณี พวกผงปลาแวกไหวไปมาก็ทำให้ลื่นเลงบันเทงพระไทยไปไปพอดีเทวดาก็ํำแรงตัวเป็นบันปะชิตเป็นนักบวชนั่งสมาธิสงบเงียบอยู่ไปเห็นเขาแล้วเอ๊นี่มันเพศอะไรหน่อนนี่นายฉันนาเขากลาบโทนว่านั่นคือบันปะชิตหรือนักบวช เพศอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับดีโนะเราเรานะี่ยมันน่าจะถือเอาเพศอย่างนี้มันถึงจะสงบระงับจากกิเลสตัญหาได้หรอกนั้นทรงพอพระหฤทัยในเพศวันมาทิดันก็นนเที่ยวชมสวนอุทยานพอท้องควรแล้วก็เสด็จกลับพอเสด็จกลับเข้าวังไป มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางโคตมีเห็นพระองค์เขาแล้วก็กล่าวสัมโมทิยะถาว่าหญิงใดที่เป็นได้เป็นภรรยาของชายอย่างนี้นี่หญิงนั่นก็จะมีความสุขค้นทุกไปได้บองั้นหรือว่าใครที่เป็นญาติเป็นวงของชายผู้นี้ ก็จะค้นทุกข์้นภยัยได้เหมือนกันเหมือนกันพอได้ยินเสียงนางนั้นพูดอย่างนั้นก็ อ, องค์พอมาหรือไทยมาเออที่เขามาให้พรเราให้เราเสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วว่าเขากล่าวฟาสิทธิ์น่าคิดน่าตรองเอาละเราไม่มีอะไรจะให้เป็นรางวัลก็ ถอดเอาชาดาที่อยู่บนพระเศียรแล้วทงให้นางโคตมีคนนั้นเป็นรางวัล น, นางโคตมีก็ได้ชาดาอันนั้นไปพ <c oughs> <c oughs> อเข้าถึงพระราชวังก็อย่างว่านั่นแหละทงดำริดแล้วถึงในเราก็ต้องออกบวชในคาคืนวันนี้ในธรรมดาผู้มีบุญเนาะ ไม่ได้เกลียมอะไรเล้เครื่องบวชนะไม่ได้เคลียร์อะไรในวันนั้นก็พอดีพระราหุลประทูตในวันนั้นเองทรงเสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพาหรือว่ายโสทธรากับพระราหุลในขณะนั้นนอนหลับสนิทอยู่ไม่รู้สึกถ้าหัววัดรู้สึกตื่นขึ้น คงจะเป็นอันตรายต่อพระสวามีไม่ใช่น้อยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ว่ามันถึงพร้อมแล้วมันก็เลยเป็นไปได้สะดวกสบายองค์เจ้าจึงเสด็จลงไปประทับบนหลังมา้าอัศวราชมโนไมะม้มาสีขาวฟ่องมีนายขันนะเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้รักษา ได้ขึ้นขี่ม้านั้นแล้วก็ น, น, นายชนะก็ตามสเสด็จไปในธรราสาวันเนียวยึดเหนียวหางม้าไปว่างั้นไม่ทราบว่าจะจะยึดยึดถางม้านั้นไปได้เท่าไหร่เอ่ยวันนี้นไอ้ข้อ น, นี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันถ้าคนธรรมดาสามัญคงไปได้ไม่ขี่ก้าวหรอกก็จะหลุดจากหลังไอหางม้านั้นอนอนแผ่อยู่บนพื้นดินเนี่ยนะ แต่ว่าอันนี้เรื่องบุญญาธิการนี่เนี่ยมันอย่างว่า น, นั่นแหละมันก็เป็นไปได้อะถ้าเกี่ยวกับบุญญาธิการก บ, บันรรดาลให้ตัวเบาไปตามมาเลยพระองค์เสด็จออกไป <c oughs> ถึงแม่น้ำเนรัญชรา นั่นแล้วก็ไปบวชอยู่ที่กลางน้ำมีเกาะทรายอยู่นั่นอา้าวท้าวคติการรับมหาพรหมก็นำบริฐานแปดมาถวายพระองค์ น, น, นั่นแหละขึ้นเซียวบุญแล้วนะมาถึงโดนบรรดาให้เป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์ก็ตัดพระมลีด้วยพระขันนั่น แล้วก็เครื่องเครื่องทรงนั้นออกแล้วก็เอาผ้าที่ท่ามหาสมนํามาถวายนั้นนุ่งห่มเข้าไปไม่มีใครเป็นอุปชาอาจารย์แหล ะ, ะ, ละ เ, เพราะองค์น่ะเป็นอุปชาพระองค์เองอย่างนั้นเมื่อนุ่งห่มเพศมีเพศบรระชิตเรียบร้อยแล้วก็ทรงอธิษฐาน พระเกสรชาติกับผ้าเครื่องทรงต่งตางๆมูนเนี่ยม้วนเข้าหอ่อเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วอธิษฐานถ้าจะได้ตัดทะลุเป็นพรพุทธเจ้าในการออกหัวครั้งนี้จริงแล้วขอให้เครื่องทรงเหล่านี้อย่าได้ตกลงมาสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินขอให้ลอยอยู่บนอากาศพออธิษฐานจแล้วกระโยนขึ้นไป เครื่องทรงเหล่านั้นก็เลื่อนลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาสู่พื้นดินวันนี้พระยาอินก็ลงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นทอมช่างพระเกศาขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดิ้งเอาไปก่อพระเจดีธรรมดาเทวดาน้นจะทำอะไรนะั้ไม่ยากหรอกท่านนิเมิตเอาเลยอ่ะ ไม่ใช่เหมือนเมืองมนุษย์ <c oughs> แต่เทวดามีบุญหลายอย่างเช่นพญาอินอย่างเงี้ยทรงอธิษฐานเข้าไปเขาเกิดเป็นพระเจดีขึ้นมาแล้วด้วยแก้วเจดประการสวยงามมากแล้วเ็เอาเครื่องทรงเหล่านั้นไปบปรรพิตฐานไว้ในพระเจดีนั่นเทวดาทั้งหลายจินได้ พากันได้ดอกไม้ทกเสมยเป็นทิพย์มาจุดบูชาแล้วในถวัยนั้นพวก น, นิยมเดินเวียนบักรินกันเดินเวียนขวาสามรอบแล้วก็กราบมา น, นี่เสร็จแล้วก็ไปประชุมกันที่ศาลาธรรมสภา น, นั่นเอมีพยายินเป็นพวกให้โอว่ใ้ประมาทเทวดา เราใดที่เป็นมนุษย์แต่เมื่อยังเป็นมนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมีภาวนามีรักษาศีลมีให้าทานครบทั้งสามประการมีภาวนามองเห็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาในสังขารร่างกายอันนี้เช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดา ก็ไปภาวนาอยู่วนสวรรค์นู่นนะั่นไม่พะมาอืมเพราะว่าจิตใจมีดวงเดียวเท่านี้ละจากร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในร่างกายของเทวดาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ลืมใชนีหไม่ลืมความดีของตนที่ตนได้ทำมาแต่เป็นมนุษย์เพราะเทวดามีตาทิพย์มีหูทิพย์ใจทิพย์ รละลึกถึงหนหลังได้เป็นโพขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเอ๊ะเราได้มาเกิดสวยสุขสมบัติเห็นปาน้เราได้ทำความดีอะไรหนอมาจะก่อนรละลึกคืนหลังดูกรู้ได้อ๋อตั้งแต่เป็นมนุษย์เราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นมา อา น, นิสงอันนั้นส่งให้เรามาเกิดในสวรรค์เพียบพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิย์อย่างนี้นี่บรรดาเทวดางหลายก็ระลึกได้ทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นเพื่อนถึงไม่ประมาทถึงได้ไปไหว้ไปกราบไปบูชาพระเกตแค่าจุลมณีเจดีเสมอแม้จะอยู่ใน วิมานอันสวยงามก็ไม่หลงไม่เมาในความสุขเหล่านั้นก็ยังพิจารณาเห็นว่าของสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยอยู่โั่คล้าวนี่ผู้ใดภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่เป็นมนุษย์แล้ว แม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ลืมคนใดไม่ได้ภาวนาเพียงแตใ่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบุญกุศลดนบรรดาได้สมบัติอมนทริพขึ้นมาแล้วก็หลงแล้วนี่เมามเพลิดเพลินยินดีในสมบัติอมิทริพนั้นเพราะว่าอันใดมันก็มีเจ้ของสวยๆงามงาม หน้าเพลิดเพลินเจริญใจทำให้หลงให้เมาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเ <c oughs> ทวดานะมีอยู่สองจำพวกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจำพวกที่ได้ปฏิบัติภาวนาเป็นเป็นมนุษย์เนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้น็นแสดงโปรด พุธมารดานั่นพวกเทวดาท่าไหร่ก็มาฟังเทวดาพวกที่ได้ภาวนาไปเต็เป็นมนุษย์เนี่ยฟังพระอภิธรรมจบลงแต่ละคนนี่ได้บรรลุมรรคผลเป็นโกดๆเนี่ยพวกเทศเมื่ได้บรรลุมรรคผลอะไรนั่นตั้งจะเป็นมนุษย์เพีงแค่ทําบุญได้ทานรักษาศีลไปตามธรรมดา ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิณาร่างกายสังขารอันนี้เลยดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงพระอภิธรรมอย่างไรก็ไม่เข้าใจได้แต่ความเรื่มใสเท่านั้นเนี่ยไม่รู้แจ้งได้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาจะเป็นมนุษย์เนี่ยได้นคนน้นคว้าได้พิณาร่างกายสังขารอันนี้อยู่เสมอเสมอเห็นเป็นของแตกของดับโยมเห็นเป็นของ เป็นทุกข์ทนในยากลำบากอยู่เสมอๆไปจิตใจก็อบนึกเบื่อหน่ายนึกสังเวชตลดใจเช่นนี้แล้วแต่ว่าอินทรียมรรมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้แล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแบบนี้นปิดตามไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็โดนบรรดาให้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างว่า เกิดเป็นเทวดาก็ไม่หลงไม่เมาในสมบัติอันเป็นพิพย์ได้ย่างงั้นขณะพิจารณาเห็นได้อยู่เทวดาเหล่านี้แหละเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรมจบลงก็จึงได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนนี่ที่เล่าเรื่อง ของเทวดาให้ฟังนี่ก็เพื่ออยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายในรู้ว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่นะเราไม่ใช่มุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาหรอกแต่ว่าเมื่อเราบำเพ็ญไปหากไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้สงแห่งการภาวนาฟังธรรมการรักษาโวโสอดิตอะไรหมดนี้นะมันก็ลน้นบรรดาลได้ไปเกิดสวรรค์ ขั้นใดขั้นหนึ่งได้แน่นอนเลยมันมันมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นี่สำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ <c oughs> แต่บางคนทำบุญได้ทสสันก็จริงรักษาศีลก็จริงแต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านช่องกับเงินทองเข้าออของอะไรเท่าอะไรอย่างนี้นะ ผู้ดใดมีจิตใจเป็นอย่างนั้นอะ่ะพอตายลงแล้วเขไม่ได้ไปสวรรค์แล้วพวกไปเวียนมาก็เข้าท้องลูกเข้าทัง้งท้องหลานไปเกิดเป็นลูกของลูกของหลานไปอย่างนั้นออเออนยพากันรักษาจิตใจของตนให้ดีอย่าไปให้ใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนรักใครห่วงแหนอะไรต้องปลดเปลื้องออกจากใจให้หมด เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยให้เราค้นทุกไปไม่ได้ต้องเตือนตอนอย่างนั้นลูกพอดีร้านก็ดีเงินทองเข้าของพอดีจะช่วยให้เราค้นทุกไปได้นั้นสำหรับเงินทองเข้าของส่วนใดที่เราได้บริจาคทานนั่นแหละจะเป็นบุญนิธิติดตามตนไปอํ า, อานวยความสุขให้ส่วนใดที่ตนไม่ได้บริจาคทาน ส่วนนั้นก็ส่วนนั้นก็อำนวยความสุขให้ในปฏิวันเท่านั้นเองส่วนลูกหลานอะไรพวกนี้เขาจะช่วยเราให้ไปสวรรค์บาริภานไม่ได้เลยเอแม้ะจะผูกพันกับเขายังไงเขาก็ช่วยเราไม่ได้จะเท่าเตือนต้นอย่างนี้ถ้าเราไปผูกพันเขามากเข้าไปเราก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกอันนี้ ไม่ได้เลยจะ่าวกเวียนมาเกิดอยู่อย่างนี้เตือนตนเข้าไปเสมอแล้วจิตใจมันก็จะไม่ไปผูกพันกับของรักของชอบใจที่มันเคยรักเคยหวงเห็นมาจาก่อนอย่างนี้นะมันก็จะไม่ผูกพันแล้วมันจะคลายความผูกพันลงไปถ้าเรามีวิวัญญาารสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปรังเกียจเขาหรอกไม่รังเกียจเพียงแค่ว่าเราไม่ไมรักไม่ชังเรามีเมตตาอนนี้เราจเจริญเมตตาแทนรักแทนความรักความชังเอาเมตตาสิไง้ดพอะจะช่วยเหลือเขาให้มีความสุขได้ก็ช่วยไปถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาลงเราทำใจเป็นกลาง ต่อสิ่งต่งตางๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือเป็นทางไปสวรรค์นะเป็นทางไปพระนิพพานก็การทำใจเป็นกลางนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันยังเป็นกลางไม่ได้เต็มที่มันยังมีเสื่อมมีเจริญได้อยู่นี่มันก็ยังบรรลุพระนิพพานยังไม่ได้ดังนั้นต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆให้มันได้ อย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายกับมันพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรพวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นสิ่งต่างเนี่ยแม้แต่ในร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันกับสิ่งภายนอกเหมือนกันแหละไม่แตกต่างอะไรกันควจริงแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรผันก็มีแตกมีดับไปเป็นที่สุด เมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วแล้วก็ปลงก็วางลงแล้วก็ทำใจให้วางเฉยมีสติกำกลับอยู่ <c oughs> มีสติประคองจิตนั้นให้สงบอยู่ได้เท่าที่มันจะอยู่ได้นานอันนี้แหละเป็นอุบายเป็นห น, นทางพ้นทุกข์นภัยสงสารนั่งแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้